ภาคกวะโตอรหะโตสมมาสมพุทธจารนโมตัสสะภาคกวะโตอรหะโตสมมาสมพุทธาจารนโมตัสสะภาคกวะโตอรหะโตสมมาสมพุทธาจ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 ดูแต่เราทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วได้รูปประขันได้เลือนใจนี่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ให้คิดอ่านภาวานาเพียงเพ่งดูให้ดีการที่เรามาลุ่มหลงมัวเมาอยู่โดยไม่ได้ภาวานาเพียงเพ่งดู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 มีดบาดมือเข้าจะเห็นว่ามีเลือดไหลออกมาสแสดงว่าร่างกายสังขาร น, นี่เต็มไปด้วยพุโพโลโหิตและร่างกายที่เรามาอยู่อาศัยนี้ท่านให้ชื่อว่ามีทวาลทั้งเก้าคาว่าทวานทั้งเก้าก็คือตาสองข้างเป็นทวานหูสองข้างก็เป็นทวาล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 ได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือภัยอันตรายพิบัตรอันตรายต่างๆเกิดจากดินจากน้ำจากไฟจากลมจากคนจากสัตว์ร้ายต่างๆจากไขวัดไข้ฤดูจา ก, จากพิษต่างๆที่มันจะทำให้ร่างกายสังขารอันเนี้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 เหตุภัยต่างๆที่มาถึงบุคคลมันมีมากมายถ้าไม่ภาวนากมา็มักจะเข้าใจว่าตัวเราอยู่ดีสบายแต่ถ้าจิตสงบระงับแล้วความจริงมันไม่ใส่สบายนั่งก็เป็นทุกข์ในเวลานั่งนอนถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเขาให้นอนหมอให้นอนก็ไม่สบายอีก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 จากยานพาหานะลดลาภเหล่านี้มีมากสมัยนีย้เขาให้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งเรียกว่าติดอันดับหนึ่งความตายจากอุปผะวหตุเพราะว่ายอดยานพาหานะนั้นไม่ว่าที่ไหนมันมีผู้ใชายอยดยานพาหานะนั้นเกิดความประมาทมึนเมา ชาติสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็ย่อมเกิดอุปัทวเหตุได้นี่ก็คือว่าภัยอันตรายมันเกิดขึ้นมาจากชาติความเกิดเมื่อตัวเราลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสตัณหามานทิฐิแล้วมันก็เป็นเหตุให้มีทบมีชาติเกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาแล้วเรื่องต่างๆมันก็ลอบด้านเดมันคอยจะให้เกิดภัยอันตรายได้ทุกเวลาทีนี้ทางแก้ภายนอกนั้นก็คือให้สงบกายสงบบาจาสงบกิจเมื่อตั้งโย่ในความสงบสิ่งใดจะไม่สงบก็ละถอนออกไปจะพูดอะไรก็พิจะะารณา จะทำอะไรก็พิจารณาจะคิดอะไรก็พิจารณาคือให้ใช่ปัญญาภาวนาให้ดีถ้าไม่ดีแล้วมันกระทบมันเกิดทุกข์ได้แต่จิตหลงจิตเมาจิตไม่รู้มันก็มองแต่จะให้เป็นศพอย่างเดียวแต่เวลาทำไปมันไม่ใจอย่างนั้นถ้าขาดความระมัดระวัง มันก็เกิดภัยอันตรายจึงต้องอาศัยภาวนาพิจารณาให้ดีแล้วจนจิตใจรอบลู่ในกองสังขารรอบลู่ภายในจิตรอบลู่ภายในกายรอบลู่ภายในวาจารอบลู่ภายในจิตใจภายในอีก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 ธรรมกรรมฐานเหมือนกันเพราะว่าชีวิตของคนเราจะตั้งอยู่ได้ก็มีธาตุกรรมฐานสมบูรณ์พุนพอกับเหตุการณ์แล้วจึงได้นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาฟังธรรมนั่งขัดสมาธิเพ็ดได้ถ้าว่าไม่รักษาตัวไม่ละมัดระวัง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 ไห้ศึกษาลาเพศไปกินไปนอนได้รับความสุขมากมันโกหกทางนั้นเมื่อศึกษาลาเพศไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นบ้งทุกทั้งหลายมันรวมเข้ามาหมดเหมือนกับว่าทุกในโลกมันมีเท่าใดมันก็โหมเข้ามาทับถมทับถมหัวใจทับถมกายทับถมหัวใจผลที่สุด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 เลิกละกิเลสความหลงให้มันเบาบางหมดสิ้นไปนั่นแหละจึงจะข้ามพ้นวัฏสงสารอันนี้ไปได้แลาะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีความรู้ความฉลาดในธรรมปฏิบัติแล้วไปไม่ได้ไปไม่ถึง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 ได้เท่านั้นเองจิตใจมันไม่ตั้งจิตใจมันลอยลอยก็คือว่าหลงหลงไหลไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโภทพะธรรมาลมก็คือหลงตาหลงลูกหลงหูหลงเสียงหลงจมูกหลงกลิ่นหลงลิ้นหลงรสหลงกายหลงโภทพะหลงใจหลงธรรมาลมความคิดนึกในใจก็หลง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 ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินอย่าไปพ่อแท้อ่อนแอต้องเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงอันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจนี่แหละให้มันหมดไปสิ้นไปเบาไปบางไปจนจิตใจรู้แจง้งแทงตลอดในธรรมคำว่ารู้ในธรรมเข้าใจในธรรมนั่น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 อยู่ที่ใจสงบตั้งมั่นอยู่ที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเอาจริงคนเราท่าใจเสียแล้วก็เหมือนกับว่ามันเสียไปหมดทุกอย่างทุกประการเหมือนต้นไม้มันเป็นโพรงอ่ะไม่มีแก่นต้นไม้เป็นโพรงไม่มีแก่นมันก็มีจัตหัดโค่นลงมาทายเดียวจิตใจคนเราไม่มีภาวนาไม่มีพุโทโธในใจ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 แย้งอยู่ที่กายเห็นร่างกายนี่ว่ามีชลาพยาทีคอยเบียดเบียนอยู่การมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์สมัยนี้นั้นอายุไม่ถึงร้อยปีเราทุกคนจำใจต้องจากต้องตายก่อนร้อยปีด้วยกันทางนั้นอายุร้อยปีนี้ทันว่าน้อยนิดเดียวไม่พอกับกิเลสตัณหาในใจมนุษย์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 ยังจิตใจที่ภาวนาพุโทโธภาวนามรณะกรรมฐานอยู่เตือนใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นเมื่อมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในกายวาจาจิตอยู่ในศีนสมาธิปัญญาวิชาวิมุตตลอดกาลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินไปในทางที่ถูกต้องตามทํามนองครองธรรม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 ภาวนาพุทธโธอย่างเดียวก็ดีวิเศษกาได้สมบัติพัตน์ฐานต่างๆในโลกเพราะว่าสมบัติภายนอกนั้นทันให้ชื่อว่าโลกียะสมบัติสมบัติในโลกสมบัติโลกีมีมันก็เกิดวิบัติไม่เหมือนธรรมะสมบัติภาวนาสมบัติบุญกุศลเป็นสมบัติอันนี้ไม่เสีย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 ห้องใสสะอาดเมื่อให้มีความขุ่นคลองมองใจ ใ, ใดๆเข้ามาทับถมในหัวใจนี่ยืดใจอนเนก็ได้เชวยวตั้งขึ้นมาได้ไม่ล่มลุกทุกขานไม่ว่าจะโยที่ไหนไปที่ไหนเมื่อเราตั้งใจได้แล้วก็ได้เชวยวภาวนาได้ทุกกระเบียดนิ้ว จะแก่ก็ภาวนาได้จะนมก็ภาวนาได้เป็นเด็กก็ภาวนาได้ดูมนุษย์ครั้งพุทธตาเด็กๆขนาดอายุเจ็ดขวบท่านภาวนาละอีเลศได้เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาคาเป็นได้จนถึงพระอรหันตากินาศพเพราะอะไรเพราะท่านปฏิบัติท่านภาวนาไม่ใช่มัน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 ให้เป็นจิตใจอันเกิดความหมัน่นความขยันขันแข็งขึ้นมาในจิตใจเมื่อจิตใจเมความหมัน่นขยันมีความเพียรอันโรคร่างกายนั้นใจดีมันดีไปหมดใจเมความเพียรร่างกายมันก็มีความเพียรมือเท่าอาวัยวะร่างกายทุกอย่างมันก็มีความเพียรไปตามจิตอันความเพียร น, นี้ทันว่าเป็นกิจที่เราทุกคนจะต้องทํา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 ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการชนีสัพเกิ่จะเห็นแจ้งในหลักอันจิ่งทุกขังอนัตตาทัเกีจะได้เห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ จะได้ือบรวงกำลังจิตกำลังใจภายในเนี้ให้หรูละกำลังความสามารถอาฐานถอมตนออกจากหลม่มถอมตนออกจากที่คุมขังเหมือนกัะช้างตัวมันใหญ่ตกหลงในหลุมมันพยายามทั้งเท้าทั้งเทและงวงงา ช่วยพยงตัวเองให้พ้นเมื่อกำลังแรงพอก็พ้นไนดะ้ถ้ากำลังแรงไม่พอกดจมลงไปในดิสขันได้ผู้ไม่นั่งภาวานาไม่ปฏิบัติดูชาก็คอยจมลงไปในโลกในสมมุตินิยมตา่รางเวลานั่งภาวานาเมื่อเราหลับตาแล้วตาใจไม่ได้หลับ เ่ยตาใจมือเลื่นเดินเต็มที่ว่าอะไรมันเกิดอะไรมันแก่อะไรมันเจ็บอะไรมันตายธาตุบินธาตุนั่นธาตุกาธาตุลมมันแก่มันเจ็บมันไข้มันตายใจเราญาได้ยันไิ้สั่นสะเทือนจงเป็นผู้คิดนึกพิจารณาให้แจ่มแจ้งครับเกณฑภายในใจของตัวเอง ยาปลายให้อำนาจกายต่ำเข้ามาพักผมดวงใจจงเป็นผู้มีสติความดับึกได้ในวัใจัยอยู่เสมอไม่ว่าร่างกายจะนมาจะให้มีสติภาวนาอยู่พุโทโธในใจหรือพิจารณาอันใดในร่างกายสังขารนี้ก็เป็นโอบาย พาวณาทาใจให้สงบหลังฮับได้ทุกอย่างทุกประการแต่ถ้าไม่ตั้งใจจริงไม่ทำจริงมันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าตั้งใจลงไปจริงๆแล้วทันในไม่รู้มันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในกายมีอยู่ในจิตในใจอย่างว่าความทุกข์ความเจ็บไข่ในตัวมันบังเกิดมีขึ้นในร่างกายจุดโยภายในย่อมรู้ เวลามันเกิดปวดทุกขทเรทานาโรคไข้ไขเจ็บบังเกิดมีขึ้นตัวเองก็ไม่ต่อการไม่ปรารถนาแต่มันก็บอกไม่ได้มันก็ว่าไม่ปรัมันไม่ได้ฟังหางเสียงของใารนับตั้งใจมันเกิดมาแล้วความเจอความสลานันมีออยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุด มันหมุนไปตามวาระของโลกตะขันอย่างนั้นอยู่รื่ยไปความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เกิดมีขึ้นในตัวนี้เมื่อผู้ใดาอายุสั้นก็ตายแต่เล็กแต่น้อยแต่หนุกบางคนก็ถึงวัยแก่วัยชราแตกดับตายตายก็มี บางคงก็ในวัยเด็กวัยหนุ่มนี่แหละมันตายได้เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงไม่ให้เลือกตามเวลาว่าเรายังเด็กยังหนุม่มให้เลือดทำให้เลือกภาวนะเอาให้มันสบาย อ, อกสบายใจเทียงก่อนไม่ต้องไปลอให้แกชลาให้เจ็บไข้หรือให้ถึงวันตายถึงวันนั้นมันจะเอาไม่ไหว ต้องทำก่อนปฏิบัติก่อนกําลังกายยังดีกำลังความคุดความลดกำลังภาวนาพุโทโธในใจอย่างแข็งแรงอยกก็ให้ตั้งใจตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปเื่อใจเราจะไม่ย่อท้อในการภาวนาทำความดีละกีเลสต้องเห็นแจ้งว่าอะไรก็ตาม เอามากำหนดภาวนาจริงๆแล้วมันเป็นอุบายภาวนาทําความเพียรให้สงบหลังับได้ให้เห็นแจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติได้ทุกอย่างทุกเวตาจึงชื่อว่าพระธรรมคาสอนของจตุติเจ้านั้นตัดเตือนผู้ปฏิบัติอยู่ทุกเวลา ท่านเติเป็นทุกข์ก็แสดงอยู่ท่านแสบเป็นทุกข์ก็แสดงอยู่ท่านตายเป็นทุกข์ก็แสดงให้ตาตกกัดอยู่แม้ตัวเราไม่ตายบุคคลสู้อื่นสัตื์นก็ตายให้เราเห็นเมื่อเห็นแล้วท่านก็ให้โอภรณะะิจธรรมน้อมเข้ามาเลือนเข้ามาสงบเข้ามาตั้งให้มัน่นในดวงจิตดวงใจนี้ในร่างกายของเราทุกคน นับตั้งแต่เจสาผมโลมาผมนัขาเล็บครตาฟันตัดโยนังมังสังเนื่อนาะฮารเอนอจิกระโดกอจิมินทังยื้อในกระโดกตัดไปใส่โพลเทศส่วนในร่างกายของแต่และบุคคลเรื่องแล้วจะเป็นอุบายรมเตือนเอาใจให้สงบหลั ง, งับลงไปก็จะรู้จะเข้าใจ ภายในจิตใจของคนเราทุกคนไม่ต้องสงใจฉด น, นั้นเราต้องรวมกา ล, ลังสงบจิตใจให้มั่นคงลงไปในหัวใจและไม่ต้องไปรอวันนั้นเวลานี้เทวตักปัจจุบันหลักปัจจุบันถ้าเราทุกคนภาวนาลมรวมจิตลมใจในปัจจุบันแล้วที่ไหนก็ได้ นั่งอยู่ที่ไหนปัจจุบันในที่นั้นนั้นมียกต่อนภาวนานึกง้อมอยู่ในวัจจ์มองให้เห็นชลาพยาพิมาลนะในร่างกายของตัวเองในบุคคลทูกเอิดแรกเริ่มเดิมคือคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่าใหญ่ขึ้นมาอย่างที่เราเห็นมีเมลัยมาจากเล็กเล็กนิดหน่อย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 โอ้ปัจจุบัิทั้งหลายเมื่อมาเห็นแจ้งภายในจิตใจด้วยสติปัญญาของตัวเองนั่นแหละจะเจอรธรรมะตริตนินดีในธรรมที่เป็นได้ภาวนาไม่มีความทอถอยคนที่มีความทอแท่อ่อนแอทอถอยนั้นคือไม่ภาวนาจิตใจไม่สงบจิตใจไม่หยุดจิตใจไม่อยู่เมื่อใจของเราไม่หยุดไม่โย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 เอาใจของเรามาตั้งในขนาดนั้นทุกขนาดใจจึงเอ่ยนอกจากจิตใจอันเป็โยมโยในปัจจุบันไม่ให้เราวังระวังอะไรเราวังมันจะออกลื่นไหลไปตามสังขารมานกิเลสมานในหัวใจเพราะว่าใจเมื่อมันออกไปข้างนอกแล้วมันสบายมันก็สบายที่มันสบายตามอำนาจกิเลส มันโซ่ความสบายภายในไม่ได้ถ้าเรางาลวนมาสงบเท่นเดในร่างกายสังขารของคนเราทุกๆคนในไมืม่อสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนย่อนยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปชาลาพยาภิมาลนานั้นมันคอยสแดงอยูอย่เสมอ เาะนั้นผู้ภาวานาพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ว่าเราจะภาวานาบทใ ด, ดขอด้อใดก็าตามแต่ธ่านวาต้องนึกต้องเจริญให้มันทับทือเนภาวานาให้ได้ทุกลมหายใจถ้านึกคได้ทุกลมหายใจแล้วจิตไม่สงบจิตไม่สบายก็จะสงบสบายขึ้นมา แต่ถ้ามันห่างไม่เมกไม่เจริญหมดวันไม่เด็ดิดถึงความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของตัวเองตั้งแต่เกิดมาไม่เด็คิดถึงความชัดพลาจากตับแด้สังขารทั้งหลายเกิดใจมันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อใจไม่รู้ไม่เข้าใจใจมันก็ลงง้มวนเยียนอยู่อย่างนี้และ ผู้บำเพ็ญภาวนายาได้มีความเฉลียถอยจงลุกขึ้นเื่นขึ้นเยนหยัดต่อสู้ในสิเลส ข, ของตัวเองเอาชนะกิเลส ข, ของตัวเองให้ได้เราจะชนะคนอื่นตั้งหมื่นแสนก็ตู้ชนะใจของตัวเองไม่ได้เราชนะจิตใจของเราภายในในี้ได้แล้ ว, ว่าชนะทั้งโลก ดูพระพุธทธเจ้าของเราพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาปรบดวงห่วงอัยทคือโลดตัณหาในจิตใจของท่านได้แล้วเอาชนะใจของตัวเองได้ต็ชนะคนทั้งโลกเหมือนกันทัางเชิงให้ภาวนาเยิดพกลมหายใจ เอกาก็ตามออกก็ตามจิตใจเดินผีเล่มีอยที่นี้ไม่ได้มีอยที่อืน่เนเมื่อผู้มากำหนดพิจะะารณาจนแจ้งในจิตในใจแล้วมันก็ค่อยถอนค่อยคล่อยค่อยวางออกไปโดยลำดับไม่ว่าอะไรมันค่อยทำค่อยปฏิบัติไปมันก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจไปแต่คนเรานั้น มันอยากเร็วเกินไปเพราะไม่ตั้งใจให้มั่นคงภายในใจิตใจก็เลยเข้าใจว่าทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ในสิ่งที่เราว่าทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้นั้วแหละถ้าเราตั้งความเชื่อมความมันความขยันลงไปในหัวใจทําได้ปฏิบัติได้ทุกทนแล้วว่าพระอยู่ในขันสมของจักรกุศลเจ้าหนี้ ในมใเมฆายเ็ทไว้ได้เป็นคำประจําอยู่ในพุทธศาสนาโทใดามานํามาปฏิบัติดูชาชําระกายราจาจิตทั้งเตให้ด้บริสุทธิ์ของใสได้ทุกทุกคนและพระธรรมคําำคำสอนของจักรเจ้านี้พระธรรมีนามในโดเยเลือกท่านวันนะคนเราจะเกิดในสมมติท่านอะไรก็ตาม ถาตั้งใจประพฤติปฏิบัติชอก็เป็นทางให้ลดให้พ้นได้ทางนั้นแหละอย่างนี้ก็ตามจมก็ตามการภาวนาปฏิบัติดูชาเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องพิเศษไม่เหมือนวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองภายนอกเราต้องลงมือปฏิบัติ ดวงจิตดวงใจในที่นี้ภาวนาพุโทโธเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงในหัวใจเมื่อจิตใจตั้งมัน่นลงไปจริงๆแล้วสิ่งที่ยากมันกลายเป็นง่ายขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นว่าทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ถ้าไม่้อถอยมันต้องได้บางคนก็ตัวเน็ตตัวเหนื่อยตัวเมื่อยตัวหิวกลัวเป็นตัวตาย าาถ้าเร า, า, า ม, ม า, พ า, า, าพุทธุสุภรมาจักกดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าช่านตาลบความเพียรทรมาจนจอกระั่งว่ายังเหลือแต่หนังหุ่นกระดูกนั้นก็ไม่ตาจองได้ปรัสรูเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก ถ้าหาว่าใครปฏิบัติดูปฏิบัติชอบแหละต า, าตายเอาตายเอายังไม่ได้บรรลุมรรคก็ไม่มีผู้ใดได้บรรลุมรรคเนี้ระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้บรรลุมรรคตามจรูญธรรมแต่ท่านไม่เกรธตายท่านภาวนาในจิตในใจของท่านมนความสามารถามเวทภายในจิตใจคนอื่นไม่ทําท่านก็ทำ คนเอมไม่บำเพนญทานท่านก็ บ, บำเพนญทานคนเอมไม่รักษาศีลท่านก็รักษาสีลภ า, าว น, นาผมที่เสร็จเตืน